อาหารที่เรากินนะสมัยนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความสะอาดแล้วนี่ mm hmm. ก็เรียกว่าสะอาดที่สุดนะเท่าที่เคยมีมานะแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพคุณค่าของอาหารแล้วเนี่ยอันนี้ไม่แน่นะเพราะว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนแล้วเนี่ยเอาถอยหลังไปสักร้อยปีก็ได้เนี่ยคุณค่าทางอาหารเนี่ย ของสมัยก่อนเนี่ยดีกว่าสมัยนี้นะมากทีเดียวคนสมัยก่อนกินอาหารยังไงนะก็ไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นสารพัดโรคเหมือนคนสมัยนี้นะอาหารที่คนสมัยนี้กินนี่กินมากๆเข้าไปแล้วนะหรือกินไปนานๆนี้โรคภัยก็ถามหาเพราะว่ามันเต็มไปด้วยเนื้อหนมไข่เต็มไปด้วย ไขมันคาร์โบไฮเดรตเกลือน้ำตาลนะพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการนะแต่ว่ามันมากเกินไปแล้วก็แถมยังมีของมาเพิ่มเติ ม, มเรียกว่าเป็นของแถมนะคือสารพิษนะสารพิษที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมสารพิษที่เกิดจากกา ร, กรเกษตรแบบสารเคมีนะมันก็น่าแปลกในะโลกนี้ มีเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นแต่ว่าอาหารของคนสมัยนี้มันไม่ได้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเลยนะแะถมแย่ลงชนพื้นเมืองสมัยก่อนในสักห้สิบปีที่แล้วเนี่ยนะในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาไม่รู้จักเบาหวานเขาไม่เคยเป็นโรคหัวใจโรคความดันอ่า ที่เกิดจากอาหารนะเท่าไหร่เลยนะคนอีสานก็คงจะเหมือนกันนะเมื่อทั้งห้าสิบกว่าปีที่แล้วนะถึงแม้ว่าอาหารจะขาดแคลนนะแต่ว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากอาหารเนี่ยนะัว่าน้อยมากอาจจะมีบ้างนะเช่นการกินอาหารที่ไม่ได้ปรุงให้สุกนะปลาดิบก็มีพยาธิใบไม้ในตับนะแต่นั่นก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้น พอถ้าพูดถึงภาพรวมแล้วเนี่ยคุณภาพหรือคุณค่าทางอาหารเนี่ยของสมัยก่อนนี่มันดีกว่าสมัยนี้มากนะแล้วยิ่งถ้าถอยหลังไปเป็นหมื่นปืนเป็นหมื่ น, ห ม, นหมื่นปีเนี่ยมันก็มีคนเขาศึกษานะศึกษาว่ามนุษย์ยกหินหรือว่ามนุษย์ษที่หากินแบบโบราณโบราณก็คือว่าหาของป่าลา่าสัตว์นะ ในการหาของปาา่าล่าสัตว์นี่มันเป็นวิถีชีวิตของคนที่หลายหมื่นปีมาแล้วนะตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์ยุคหินเลยเขาเพราบว่าอาหารนี่มันมีความหลากหลายมากความหลากหลายนี่ก็หมายถึงว่ามีวิตามินมีแร่ธาตุนานาชนิดนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพมากกว่าอาหารสมัยนี้ สมัยนี้เรากินอาหารไม่กี่อย่างนะกินอาหารหลักๆก็ประมาณสักยี่สิบอย่างได้มัง้งหรือว่าไม่เกินยี่สิบอย่างเช่นข้าวเนื้อปลาเนื้อก็มีแต่เนื้ อ, อวัวหรือเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาไม่กี่ชนิดสามสี่อย่างผักก็กินผักไม่กี่ชนิดผักบุ้งผักกวางตุง้งนะผักกาดนะรวมแล้วก็อาจจะหลักๆก็คงไม่เกินสิบชนิด ขณะที่พวกที่เข้าป่าล่าสัตว์เนี่ยผักที่เขากินนี่เยอะแยะไปหมดนะหลายสิบชนิดนะข้าวก็มีข้าวที่เขาเรียกว่าธัญพืชเนี่ยก็มีหลายชนิดเดี๋ยวนี้เราก็กินแนตะ่ข้าวเจ้าเป็นหลักนะงั้น เ, เขาก็ไปสำรวจดูเพราะว่าโอ้อาหารที่มนุษย์ยกหินกินนี่หรือว่าบรรพบุรุษของเราสมัยยังเข้าป่าล่าสัตว์นี่ มันมีความหลากหลายทางด้านโภชนาการมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้มีสุขภาพดีแถมออกกำลังกายสิอีกนะต้องไปเข้าป่าล่าสัตว์เก็บหาของปานะ่านั่นก็น่าแปลกนะว่าอาหารเมื่อหลายหมื่นปีก่อนนี่มันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าอาหารของคนสมัยนี้นะ บางทีเราไปคิดว่ายิ่งเจริญแล้วเนี่ยอาหารมันจะดีขึ้นหรืออะไรต่ออะไรมันจะดีขึ้นนี่มันไม่แน่เลยไม่ต้องดูอื่นไกลอากาศแล้วก็น้ําอากาศและน้ําสมัยนี้นี่มันแย่แต่ที่มันแย่เพราะว่าไม่ตั้งใจนะก็คือมันมีสารพิษเยอะมลพิษมลภาวะเยอะแต่อาหารนิเสัยนะก็ตั้งใจทํานะแต่ปรากฏว่าอาหารมันไม่ได้ดีขึ้นเลยกับแย่ลงทําให้คนเป็นโรคมากมายทําให้คนร่างกายอ่อนแอ นะนอกจากคุณคุณค่าของอาหารแล้วนะเรื่องการเรื่องปริมาณการบริโภคนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรากินกันเยอะมากนะแต่ก่อนอาจจะกินแค่วันละสองมือ้อเดี๋ยวนี้กินสามสี่ห้ามื้อนะอาหารที่กินก็มีสารพิษเยอะแล้วแถมยังกินเยอะเข้าไปอีกนะกินหลายมือ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะเกิดขึ้นมาก็เพราะว่า กินเข้าไปเยอะๆแต่ว่าไม่ได้ใช้นะพลังงานที่เราที่เราบริโภคเข้าไปที่เราเก็บสะสมเข้าไปในรูปของอาหารมันเยอะมากนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็คงไม่ต่างจากคนที่หาเงินเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เงินอันนี้พระเจ้า ก, ก็ไม่สารเสริญ น, นะพระเจ้า ก, ก็เคยตรัสพูดถึงเศรษฐีที่มีเงินเยอะหาเงินได้เยอะแต่ว่าไม่ใช้ ว่าเป็นเป็นเป็นคนโง่นะไม่รู้จักเลี้ยงตัวให้ให้ให้มีความสุขหาเงินเยอะแต่ว่าไม่ใช้นะพระพุทธเจ้าก็ตำหนิอันนี้ก็คงเทียบได้กับพวกเราคนสมัยนี้นะที่บริโภคอาหารบริโภคพลังงานก็ไปเยอะแต่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เป็นอย่างไรนะก็คือไม่ค่อยได้ออกแรงนะ แม้เขาได้ออกแรงเท่าไหร่ไอ้ร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นร่างกายที่สร้างธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อให้ออกแรงนะเพราะว่าร่างกายของเรามันเป็นร่างกายของมนุษย์ยุคหินนะร่างกายของเรานี่เป็นร่างกายของมนุษย์ยุคหินก็คือว่ามนุษย์ยุคหินนี่มีร่างกายอย่างไรเราก็มีร่างกายแบบนั้นแหละมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเวิยพัฒนาการของร่างกายมนุษย์นี่มันแทบจะไม่ได้พัฒนาหรือวิพัฒนาการมาเมื่อ ตั้งแต่ห้าหมื่นหรือหกหมื่นเจ็แปดมืนปีที่แล้วล่ะเราเอาร่างกายของมนุษย์ยุคหินมาแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้พลังงานหรือไม่ได้มีวิถีชีวิตแบบคนยุคหินนะเอาคนยุคหินนี่เขาเข้าป่าล่าสัตว์และตอนหลังก็ถึงแม้จะรู้จักการเกษตรแล้วก็ยังใช้เลี่ยวใช้แรงแต่เรานี่นะเราได้ร่างกายของมนุษย์ยุคหินมาแต่ว่าการ ใช้ชีวิตการบริโภคของเรามันเป็นยุคอวกาศไปแล้วมันไม่เข้ากันนะก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้มีการออกกําลังกายไม่ได้ใช้เลี้ยวใช้แรงนะแล้วแถมยังกินมากเขาอีกนะมนุษย์ยุคหินนี่เขากินน้อยแต่ว่าใช้แรงเยอะถึงแข็งแรงนะเข้าป่าบางทีก็ไม่ได้สัตว์อะไรมาเลยนะก็ต้องไปหาวันรุ้นขึ้นก็ถึงค่อยได้ได้เก่งได้กว้างมานะ มันไม่ได้ไม่ได้กินอิ่มทุกมื้อนะอย่างคนสมัยนี้สมัยนี้กินอิ่มทุกมือ้อแล้วกินทุกวันทุกวันทุกวันแต่ไม่ได้ออกกําลังกายไอ้ร่างกายมันก็เลยพยจดนะเลยเกิดปัญหาขึ้นมาคือว่าไขามันที่เก็บสะสมมากๆก็เลยไปเกาะกันทําให้เป็นโรคหัวใจหรือว่าน้าตาลที่กินมากๆก็ทําให้เป็นโรคเบาหวานนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ มันก็มีบางคนนะก็เลยหันกลับไปกินอาหารแบบมนุษย์ยุคหินนะมันก็มีแล้วนะกลายเป็นขา้นนิยมแบบใหม่เป็นแฟชั่นนะอาหารแบบมนุษย์ยุคหินเพื่อสุขภาพมีอาหารหลากหลายแล้วก็มีเนื้อนะแต่ที่จริงนี่ถ้าออกกำลังกายเยอะนี่ไม่ว่าเราจะกินอาหารอะไรเข้าไปถ้าออกกำลังกายมากๆก็ดีหรือถ้าไม่ออกกำลังกายก็ต้องกินให้น้อยลงกินอาหารประเภทผักให้มากขึ้น ตอนนี้ก็มีเทศกาลกินเจนะ น, นี้ก็ก็เป็นก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะถ้าเรากินเป็นนะกินเจถ้าเรากินเป็นนะแต่ถ้ากินไม่เป็นนี่ก็ไขมันก็พอกพูนนะเพราะว่าอาหารเจหลายแห่งก็มีไขมันเยอะนะประเทศเรานะอาหารเจอาหารมังสวิรัตนี่มีน้อยนะทั้งที่เป็นเมืองพุทธนะ ก็ฝรั่งนี่เข้ามาเมืองไทยเขาก็แปลกใจทําไมเมืองพูดถึงอาหารมีแต่เนื้อทั้งนั้นจริงๆมันก็เพิ่งมาเป็นระยะหลังเนี่นะแต่ก่อนไม่ใช่ว่าจะมีเนื้อเยอะนะแต่ก่อนก็ผักเป็นหลักหรือไม่ก็ปลาเราถึงเรียกว่าข้าวปลาอาหารแต่เดี๋ยวนี้ทุกมือทุกมือก็มีเนื้อมีมีหมูนะอย่างเบาๆก็ไก่นะอาหารบางสัปดาห์ก็หายยากแต่ถ้าหากว่าไปอย่างประเทศไต้หวันเนี่ยนะ เรเคยไปประเทศไต้หวันนี่อาหารมังสวิรันี่อาหารเจนี่เพียบแล้วทําอร่อยนะทําอร่อยใครใครได้ไปไต้หวันเนี่ยก็จะพบว่าอาหารมังสวิรัอาหารเจนี่หาได้ง่ายมากราคาก็ถูกคุณภาพก็ดีสะอาดก็สะอาดอันนี้แหละที่อาจะเหมาะกับสําหรับคนยุคนี้นะอาหารมังสวิรัหรืออาหารเจนี่จะเรียกว่าเป็นอาหารที่เหมาะสําหรับคนยุคนี้ก็ได้เพราะว่าเดือนนี้เรา กินอาหารเข้าไปเราไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะแล้วก็มันก็มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะไม่ก่อมลภาวะนะแล้วก็ทำให้อาหารที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ก็เอามาใช้ในการเลี้ยงคนซึ่งกำลังหิวโหวยนะเป็นหลายร้อยล้านคนได้ในแอฟริกาแล้วก็ในหลายประเทศเนี่งเรียกว่าเป็นอาหารที่เหมาะกคนยุคนี้มากเอลก็เตรียมรับ